อยากจะถามถึงการปฏิบัติอของญาติโยงเราทั้งหลายซึ่งในธรรมานี้แน่ใจแล้วนี้อย่างการทำกรรมฐ า, านนี้ทำอย่างนี้ปรากันมีความแน่ในใจแล้วหรือย่างเพราะว่าอาจารย์ที่สอนสรรมฐานนี้ถือว่านิ่มากมีทั้งพระสง์ด้วยมีทํ้งราวา หลายคนเป็นอาจารย์เรรมยานย่างนั้นว่าญาติโยมจาลังเลสงสัยในการกระทาเนี่ยจึงไปถามอย่างนั้นถ้าเรื่องของพุทธศาสนาคำสอนของพระที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจสนัดเจน จะทําจิตใจเราให้สงบได้เป็นมั่นคงอ่ะการทำจิตให้สงบเรียกว่าการทาสมาธิหรือเรียกว่าการทำกรรมฐานจิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่กลับกรอบมากดูที่เราทำกันมาเห็นไหมละ่ะบางวันนั่งพับเดียกวก็สงบแล้วนะี่ บางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สมุบมันดิ้นออกมาอยู่จุด้บางวันก็สบายบางวันมันก็ไม่สบายนี่นี่มันคือแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี้และให้เข้าใจว่ า, ามักแปดประการนั้นมันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่น เมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช่นเราทำปัจจุบันนี้ก็คือเราทำมรกให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลและวิธีการนั่งทะานนดับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเราเอง มองดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราดับตาเข้าไปเนะี่ยมันจะกลับเข้ามาทางในมันจะมีความรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในที่นั่นนี้ก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะเป็นวิธีที่ให้เกิดปัญญาคือสมาธิเมื่อเรานั่งดับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะ อารมณ์หายใจอารมหายใจเป็นประธานเนี่ยอนน้อมความรู้สึกตามลมหายใจนะเราจรึงจะรู้ว่าสติมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ไอความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้นะ อ, นอะไรเมื่อมร์นี่มันสมัครีกันเมื่อไร เราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึ ก, ก เ, เราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราถึงจะรู้จักที่รวมของสมาธิรวมแห่งมัคคัศม์สามกีในที่อันเดียวกันเมื่อเราทำสมาธิกำนดจิตกักบลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียว รอบๆข้างมันนี่ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยทําความรูร้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กําหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดรูรวมบอกอย่างเดียวทันันมันวางข้างนอกอย่ามีความไมื่อยคนนี้นั่งอยู่ตรงโน้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้อะไรวุ่นวายเ like นี่ยมันไม่เข้ามาเราเหย่างมาันบอกเสียว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้ จนกว่าทาสัญญาอย่างนี้มันหมดไปจนกว่าที่ไม่มีความสงสัยใน ร, บรอบข้างเหล่า น, นี้เราก็กาหนดลมเข้าออกอย่างเดียวเราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติปล่อยลมออกเข้าให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแหลนอย่าไปบับงคับล ม, ม ไม่แรงปล่อยสภาพมันเห้มันพอดีจะก็นั่งดูลมหายใจนี่เข้าเมื่อมันปล่อยอารมณ์ข้างนอกเสียงรถยนต์ก็ไม่รำคาญเสียงอะไรก็ไม่รำคาญไม่รำคาญสักอย่างหนึ่งข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่รำคาญทั้งนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันไม่รับแล้วมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเดียวท่ากิน ของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆมันไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องอสืดลมเข้าให้มากที่สุดจนกว่าไม่มีทีเด็บวเดียวปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่ามันหมดในท้องเราสักสามครั้งก็ตั้งหรือความรู้ใหม่ดูร่รมอีกต่อไปเราตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งมันก็สงบไป เป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งอีกเนี่ยมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายติดมาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นคืนมาอีกแล้วก็เนี่ยกาหนดจิตใจแล้วให้ตั้งมั่นแล้วับชืดนลมเข้าหามาที่สุดหายลมออกไปให้หมดในท้องเราแล้วก็สื่นลมเขมา้าหายมาที่สุดพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีก กำดลงนั้นต่อไปอกแล้วก็กลับมาตั้งสติกับลงหายใจออกเข้าทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนีน้ในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ชำนาญมันจะวางข้างนอกมันจะไม่มีอะไรอ า, อารมณ์ข้างนอกมันจะส่งเข้ามาไม่ถึง มเมื่อทรงขามาไม่ถึงเราก็เห็นจิตของเราเนี่ยจิตคือความรู้สึกหนึ่งรืออารมณ์หนึ่งเรต่รออารมณ์เนี่ยอยู่ที่ปลายจมูกเรานี้สติเตั้งมั่นดูลงเข้าออกสบายต่อไปอีก ลมนี้ถ้าจิตสงบแต่ลมนี่มันหยาบแล้วมันจะน้อยก็มามันน้อยก็ไปน้อยก็ไปทุกทีน ะ, นะมันน้อยก็ไปอารมณ์มัละเอียดอารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปน้อยไปร่างกายเราก็เบาจิตเรากเบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไปต่อ น, นั้นไปแไอความรู้ข้างนอกมันจะรวมข้า ง, างใน เมื่อรวมเข้ากังในแล้วไอความรู้สึกอยู่ในที่มันรวมกือเมื่อรวมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมบอกลมเข้าชัดและมันจะมีสติชัดแล้จะเห็นอารมณ์ชัดชัดขึ้นทุกอย่างในตรงนั้นมันจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่ นี่เรียวกว่ามัคคสามัคคีเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วแน่มันก็ไม่มีอาการที่วุ่นวายในจิตใจของเรามันก็รวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อเรามองในที่อันเดียวคือรวมหายใจเข้าออกนั้นมันจะมีความมันจะมีความรู้สึกเห็นชัดหนึ่งลมงเพราะว่าเรามีส ต, ติอยู่เสมอเดี๋ยเห็นลมชัด เห็นลงชัดเห็นสติมันมีสติชัดขึ้นมาเลยมีความรู้สึกชัดขึ้นมาหลายอย่างเห็นจิตอยู่ในที่นั่นรวมเป็นอันเดียวกันทียนนี้มีความรู้สึกเข้ากลางในไม่ไม่ส่งออกไปทางนอกทางนอกไอ้ไข้มันหมดไม่มีใครไปทำงานเระอยู่ทางในบ้านรวมเป็นก้อนสบายความรู้สึกนั้นวางจากทางนอกบางทีมันก็มีความรู้สึกอยู่ รมหายใจนานไปดูรวมหายใจครับไปอีกจนกว่าที่มันละเอียดครับไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปหมดไปจากลมหายใจก็ได้เนี่ลมหายใจเนี่ยหมดไปจากลมหายใจก็ได้มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นอีกมาลมหายใจมันจะหายไปคือมันละเอียดจนเกินไปแล้วลมบางทีลมนั่งเฉยๆเนี่ยลมไม่มี แต่ว่ามันมีอยู่เหมือนว่ามันมนมีเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวเนี้ยมันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี่เหลือความรู้อันเดียวถึ่งรมมันหายไปแล้วนะไอ้ความรู้ที่ว่ารวมมันหายไปก็ตั้งอยู่จะเอาอะไรเป็นอารมณ์อีกต่อไปนั้นเอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีกอารมณ์ที่ว่ารมไม่มีรมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอ นี่ด้วความรู้อันหนึ่งตั้งขึ้นมาอีกในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมากันได้เพราะตรงนี้มันจะเกิดนิมิตขึ้นมากันไดเสียงก็มีกระรูป ก, ก็มีได้มันมีทุกอย่างในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะมันเกิดขึ้นมาถ่าตรงนี้เนี่ยเมื่อหากว่านิยิตเกิดขึ้นมาตรงนี้บางคนมันก็มีบางคนก็ไม่ไ ที่นี่ท่านจึงตั้งใจให้ดีตั้งสจิให้มากบางคนก็เห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วตกใจตกใจเพราะธรรมดามันมันลงมันมีอยู่เมื่อเราไปตราบที่มาลมไม่มีแล้วก็ตกใจว่าลมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้อย่างนี้ตรงนี้ก็ให้ตั้งความรู้สึกขึ้นมาอันนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันเราจะดูอะไรดูลมไม่มีน่ะอีกต่อไปเป็นความรู้ นี้ท่านจัดว่าเป็นสมาธิอันแน่แน่วที่สุดของสมาธิแน่มีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่วันไว mm hmm. หวเมื่อสมาธิถึงจุดนี้ที่มีความแตกต่างสาระพักอย่างที่จะมันรู้ในจิตของเราบางทีก็ร่างกายในบางทีมันเบาที่สุดเมื่อมันเบาที่สุดบางทีก็ไม่มีไม่มีร่างกาย ค่คายนั่งอยู่อากาศห่งนี้ เ, เบาทั้งหมดมองนึกดูที่ไหนไม่มี้ะอยู่กลางอากาศแห่งนี้เพิ่งเล่าทีเ่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เปล่าทั้งนะั้ว่าอันนี้มันเป็นของแปลกอันนี้ อ, อ, อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรเระทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคงเ่องจิตตังมั่นเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรมาเสียแทง อยู่ไปเท่าไรก็ได้ไม่มีรู้สึกเวทนาเก็บปวดอะไรอยู่เองการทําสมาธิมาถึงที่นี่เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธินี่ก็เจะออกสบายออกอย่างสบายไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหนื่อยออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาท้อยออกมาอย่างนี้ อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรอมี่เดียกว่าสมาธิที่สุควรมามันสจะสบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมาธิยัไม่สต็มสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งจิตใจเขเราจะมีความเยืยดเย็นไปตั้งหลายวันมม เ, มเมื่อเมื่อจิตเยียดเย็นหลายวันนั้นจิตเราสะอาด เห็นอะไรจะรับพิจารณาัึงอันนี้มันเป็นเบื้องแรกของมันต่อไปนี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี่มีหน้าที่ทำให้สงบสมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างนึงปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างนึ่งหน้าอาการที่เรากำหนดในที่นั้นน่ะมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ ตามที่ปรากฏในใจของเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้มีปัญญาตรงนี้นะเมื่อกิจเราสงบแล้วนะมันจะมีการทั้งวรสังรวมเข้าช่วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิเมื่อสังรวมเข้าละเอียดเข้านะ่ะมันจะเป็นกำลังอนะ่นะมันจะเป็นธรรมกำลังช่วยศ้นใบนบริสุทธิ์ขึ้นมามากๆเมื่อศีลบริสุทธิ์ขึ้นมามากๆแล้วมันก็ช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นมา ดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเป็นแล้วจะช่วยปัญญามันจะช่วยกันอย่างนี้เป็นไวยพดซึ่งกันในการต่อไปรอบอย่างนี้จนกว่าว่ามัดคือศีลสมาธิปัญญานี่รวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะทํางานสม่ำเสมอกันแล้วนะอืเป็นต้นจะต้องรักษากําลังอย่างนี้อันนี้เป็นกําลังที่จะเกิดนิพพัสนาคือปัญญา ถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบก็มีกำลังแลว้วเออให้ไม่สงบนะมีไปยึดมั่นมันเลยสงบควไปยึดมัน่นมันเลยเช่นนี้เราจะได้ปล่อยพานะอันนี้ใจเรามันจะเบาจะได้อารมณ์ที่ดีก็ไดกว่าสบายใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เรียกว่าสบายใจมีความสงบอยู่อย่างนั้นนี่อีกอันหนึ่งวันนี้บอกว่าเราหยุดทำกรรมฐ า, านแล้ว วันนี้เราหยุดทำกรรมฐานแล้วกิตที่ไม่ฉลาดประวางเลยไม่มีความรู้สึกนึกคิดในการงานของเราไอ้ความเป็นจริงนั้นเมื่อเราจะออกจากสมาธิเราพรู้จัก่าเราออกออกมาแล้ววางเป็นปกติไว้ให้มีความรู้สึกมีสติติดต่อมนเสมอแนน่แหน่ยน่ไม่ใช่ว่า เราจะทำความ ส, มบสงบใจว่าเรานั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเราเดินอยู่แล้วก็ทาใจเราให้มัน่นให้มีอารมณ์มัน่นมูมีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเสมอออกจากที่นั่งนี้แล้วหูเราได้ยินเสียงกาเห็นะลูกเจรเดินไปนั่งรถไปก็ตามเถอะให้รู้สึกว่าอะไรที่มันชอบไม่ชอบใจเกิดเกี่ยวกับปอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่านี้มันไม่แน่ อันนี้ในที่อย่งตลอดเวลาอย่างนั้นจิตสงบเช่นนี้จิตสงบเช่นนี้แล้วเราจะต้องเอาจิตอันนี้พิจารณาอรเช่นวา่ารูปร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณา การพิจารณาเมื่อใดก็ได้แล้วนั่งสมาธิแต่เราอยู่บ้านก็เดีเราทํางานอยู่ก็ได้อะไรอะไรก็ได้เรานั่งพิจารณาอยู่เสมอไม่เห็นต้นไม้ใบไม้ที่มันร่วงลงมาอย่างนี้อย่าเราเดินไปก็เห็นใบไม้มันร่วงลงมาอย่านี้อันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนอันนี้นะเหมือนกรเราเหมือนกันเลเนี่นเมื่อมันแก่มาแล้วมันก็ร่วงไปใบไม้ก็เหมือนกันเล่าก็เหมือนกันอย่างนั้น ไอ้คโนนุ่นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะนี่เรียกว่ายกขึ้นสู่อิปจนนาจะมีการพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติติด ต, ต่อกันเรื่อยสมั่ำเสมอดีเรียกว่าการฝึกกรรมฐานที่ถูกต้องเราต้องสะกดรอยติดตามอยู่เสมอที่เราทํากันอยู่วันเนี้ยวันนี้หนึ่งทุ่มเนี่ยมาทำอยู่สมาธิกันอย่างนี้ นั่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งจะไปหยุดกันใจก็เลยหยุดไปไมพิจารณาอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หยุดการหยุดการกระทํานี้หยุดในพิธีกรรมเฉยๆให้ความรู้สึกหิดต่อกันเสมอดีด้วยอ่ะอาจามาเคยให้ความเห็นบ่อยว่าเหมือนหยดน้ำเหมือนหยุดน้ําเราทําให้จิตต่อกันมันหยุดน้ํา เพราะว่าเรามีสติตไม่สม่ำเสมอการวางใจเราไม่ได้ทำเลยการกระทานั้นไม่ใช่อย่างอื่นทำจิตทำไม่ใช่ร่างกายที่ทําจิตเป็นคนทําจิตเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ต้ อ, ง, องนั่งสมาธิเราจิตเราก็รู้สมาธิจิตเป็นคนทําการปฏิบัตินี้ เราเห็นในจิตของเราเช่นนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นเราจะทำความรู้ในจิตของเราไม่สม่ําเสมอไม้เราจะยืนก็ตามจะเดินจะนั่งจะนอนกระไ้ความรู้สึกก็มันมีอยู่อย่างนั้นเหมือน้ําที่มันเป็นหยดหยดอย่างเนี้ยมันในจิตต่อกันถ้าเราทําสติให้มันติดต่อกันเช่นนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นน้ําที่มันติดต่อกันเนี่ยติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นสายน้ําตลอดเวลา มีสติอยู่ทุกเมื่อมีอารมณ์สม่าเสมออยู่ทุกเมื่อความผิดเกิดขึ้นมารูกทุกเมื่อทุกเกิดขึ้นมารูกทุกเมื่อความสงบเกิดขึ้นมารูกทุกเมื่อวุ่นวายเกิดทุกอย่าง<ม>เรียกว่ามีสติอยู่สังวร อ, อยู่สังรวมอยู่สม่ำเสมอนี่อย่าอยู่ที่ไหนก็ดีว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ถ้าทำจิตอย่างนี้เนี่ยการทําภาวนาเนั่นเร็วเร็วมาก ดีมากเกิดเร็วอย่าไปจิตกันอย่างนั้นมากเดี๋ยวนี้มีอะไปทำมีปัสนากรรมฐานกันเข้าสามวันก็มีเจ็ดวันก็มีไม่ต้องพูดกันไม่ต้องอะไรกันนี้สิบวันก็มีทิบห้าวันก็มีแล้วก็ออกมานะเราออกมาแล้วก็นึกว่าเราเไปทำมีปัชนาแล้วดีไร ออกมาก็ไปเต้นรำทําเพลงเหมือนสรุปขนาดนี้หมดแล้วเนี่ยทําอย่างนี้มันจะมีอะไรเล่านุ้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไปทําความชั่วต่างๆทําจิตของเราเอกระทบกระเทือนเสียหายหมดแล้วอืปีหน้ามาอีกไปทําสรมถานอีกเจ็ดวันคิดห้าวันเดือนหนึ่งพอเสร็จแล้วก็ออกไปอีกแล้วไปเต้นรำอีกแล้วไปร้องเพลงอีกแล้วไปกินเหล้าอีกแล้ว อย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติเป็นปฏิปท า, านนะเนี่ยเป็นปฏิปทานนั่นน่ะเพราะนั้นเราต้องพยายามละเห็นโทษมันนะเห็นโทษในการดื่มชูกาเห็นโทษในการเข้าบาเห็นโทษในการ ท, ทําสุขสิ่งสุขอย่างมันจะออกได้มันจึงถอนตวอมาได้ความสงบนะันจึงจะมีไม่มีโทษแต่ความสงบจึงจะมีนะอันนี้เดี๋ยวเราทําที่ถูกต้อง ที่เราทำในเจ็ดวันเข้าไปสามวันไม่ต้พูดอะไรกันนะไม่พูดเจ็ดวันมาพูดอยู่ตั้งเจ็ดเดือนมาล้ออยู่ตั้งเจ็ดเดือนไม่พูดเจ็ดวันเท่านั้นเนี่ยมันจะพุ่งกันไงล่ะนี่ขอให้ทายกศิยิกาเราท่างหลายท่านผูรู้ท่างหลายให้ให้เข้าใจอย่างนี้พยายามทำให้มันติดต่อกันเห็นโทษในสิ่งนั่นเห็มันติดต่อกันเสมอไดือดๆแต่นั้นเนี่ยก<อ>ิเลสมันก็จะหมดได้ อย่างนั้นอืมในเจ็ดวันไม่คู่เลยเนี่ยเไม่เล่นเยอีกสี่ห้าเรือนเด้งเด้งตรงนั้นไม่สังบอสังโงก็หมดเท่านั้นไม่มีดรื่อะเฮ้ยคืนน้าโต้อหาเงินอนะ่ะหาเงิ น, น, น, น, น, ง น, นวันนี้ในสามบอต้อว่าชื่อกินหมดห้าบอลวันนี้ไม่มีเงินที่ไหนก็หมดเท่านั้นอันนี้ก็มันตัดอั่งนั้นอันนี้เตือนนะขอโทษเลยนะ ขอโทษด้วยนะฮะจงพูดไปยังท่านจะมาพูดเนี่ยไอ้ที่เห็นผิดเนี่ยมันต้องเห็นในชาติเกนมันถึงเลิกกันได้ที่เรามาทําดันนี่ก็เดีมาทําเพื่อจะมาให้แต่ทาความผิดต่อไปทำความผิดทัไมข้างความผิดมันเดือดร้อนมันไม่ดีมันสงบอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอ๋ถ้าหากว่าทำเจ็ดวันไม่พูดกันเนี่ยจะเล่นกันเดือนสองเดือนซั้นเล่นกันนะเนีในจะถึงเจ็ดวันมันจะคุ่มอะไรเมื่อไหร นี่ก็ทําไปอย่างนั้นแหะนี่กรรมาฐานหลายแห่งเคยเป็นอย่างนี้แต่จะมีชีวิตของเราให้มีความสงบระงับเรื่อยจิตต่อกันไปเรื่อยอย่างนั้นไม่ว่าจะกรรมาฐานเนียไม่ว่าจะกรรมาฐานมันจะหายไปต้นไม้แล้วก็เอาทีเอามาปลูกลงวันนี้ในสามวันถอนออกมากไปปลูกตรงนั้นอีกปลูกตรงนั้นในสามวันถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอี่ตายเลยไม่ได้กินนะ่ะ ต้นไม้ก็ตายก็มาฐานก็หมดเหมือนกันอย่างนั้นกระจายเลยนะอย่างนั้นนะเออไปพิจารณานะกลับไปเนี่ยเอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้ในสารบันสอ น, นออกมา ป, ปลูกตรงนั้นในสามรบรรสอนนี้ปลูกลนะั้นไม่ได้กินจะตายหมดอย่างนี้เดือดแหละก็มาฐานก็เหมือนกันไปนั่งก็งมาฐานเจ็ดวันนะ่ยออกมาเรียนอยเจ็ดเดือน ปล่อยกินเป็นทำสุกกระปุกมดเรียกว่าเจ็บบันไปมาทํากรรมฐานไม่พูดเรียกว่าเลิกอีกมันก็ต้นไม้ไงตายมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานไม่เกิดจังต้นไม้ก็ไม่เกิดปลูกนี่สามวันถอนไปปลูกตรงนั้นปลูกตรงนั้นสามวันถอนไปปลูกก็ตายไม่มีเหลือเลยไม่ว่าไม่รู้ไม่รู้นะ นี่กว่าเป็นต้นไม้เมืองนี่ต้นไม้เมืองไทยแลนด์ตายไปหมดไม่มีเหลือกาทําอย่างนั้นตกรมาฐานคุณมันกันนี่อเราไปทําสักเวันเนราปล่อยให้มันไปเล่นสมถะสุขโตกอยู่เจ็ดเดือนี่ยมันเต็มทีซะแล้วออืตัวคิดได้ยิ่งไปเข้ากรรมฐานอีกเยอะนี่มาเข้ากรรมฐานอีกไม่พูดทำอะไร ไอ้ข้อแฝงมันจะหายแล้วออกไปอีกแล้วไปเล่นอีกหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็กลับมาอีกอย่างนี้ตะมาว่าทำไม่ได้ผลเนี่ยาา ล, ลองดูะนะกลับไปนี่เอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้สะกสามวันวันที่สี่ไปถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอาจจะมาเห็นวัดตายลองดูไปได้นะสนใจมไหมนะนั่นตะมาแล้วก็อยากจะมาเทศเรียนเทศจะมาผดไม่ได้มันสงสารโยม โยมทําผิดอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ได้ใจมันสงสารคนแต่ไปบอกโยมบางทีคนบางคนก็ไม่ไสบายใจไม่ว่าไปว่าให้เขาให้ควนเป็นจริงไม่ได้ว่าแล้วไอคนไหนมันผิดก็ช่วยให้รู้จักนะเน่ยแต่คนบางคนคิดว่าให้เราแล้วว่าให้เราแล้ ว, วเวงียบไม่ได้อยังงั้นเ่าจะมาถึงนานๆมาเทศท่ยวีนะึงนะเทศีุกวันทุกวันงๆโยมจะดือดร้อนมั้นะ ไม่ใช่โดงโดยมเดือดร้อนกิเลสมันเดือดร้อนเท่านั้นเนี่ยวันนี้แต่แล้ว น, นี้พูดท่างนี้ น, นะ